ตั้งใจอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กับที่กับทางอล่าเพิ่งไปทำอะไรตอนนี้นี่คือเวลาขอรบในธรรมอย่าเพิ่งไปคุยกันมันไม่ใช่เวลาคุยกันเสียดายโอกาสเสียดายเวลาที่เข้าวัดเข้ามาเพื่อคุยกันนี่นะแต่นี้เข้าวัดแล้วมันได้ประโยชน์ คือวัดกายวัดวดจาจาวัดใจตัวเองได้กลายเปว่ามาอาวัตรประทับสาธิตศึกเสียวเวลาไม่ต้องมาวัดอยู่ที่บ้านไม่ได้อะไรเมื่อกี้ก็บอกแล้วเวลานี่น้อยอย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกันอะไรค่อยคุยอยากมาคุยมาคุยตรงนี้ ม่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยก็อยากคุอยอ่ะนี่นมีหูแล้วมันไม่ฟังนะมันไม่มีประโยชน์มีตาแล้วมันไม่ดูหูมไม่ฟังมไม่ได้ประโยชน์อะไรถึงมาวัดมันต้องต้องได้อะไรอย่างน้อยส่วนคือสติสําคัญเงินจะไม่ได้อะไรคือมาทำทำเล็บเปในศักดิ์ว่ามามันมีในความแตกต่าง ทำตามตําเดประเดจะเจ๋อฟังก่อนที่ม่หัวฟังฝากก็เงียบพมานานแล้วฟังพระบ้างเราไม่รู้จะฟังใครบอกฟังพูทธเจ้าแต่พูเจ้าก็ไม่อยู่แล้วฟังประธรรมเรไปเห็นประธรรมให้โดยที่เดียวคือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ไม่ฟังจะฟังใครกัน แต่เราก็คือฟังตัวเองเราก็ฟังเพลงมาตลอดแล้วมันเคยได้อะไรไมาจากการฟังเอันไม่ไอะไรมันไม่มีที่สิ้นสุดพระครูา อ, อาจารย์ตันพูดมันเป็นเหตุมันเป็นผลแต่ที่สำคัญคือมันเป็นความจริงเราอยู่กับควา ม, มจริง อยู่ความเท็จแล้วผู้ที่จ้าสอนในสอนความจริงความจริงมันไม่ได้มีเยอะแต่ความเท็จจับกันไม่หวัดไม่ไหวเราก็ไปอยู่ความเท็จชอบชอบความเทนะ็จกันอยู่หนึ่งๆฟังนี่มนันจะเป็นประโยชน์จากครึง่ชงชั่วโมงยี่สบนาทีไม่ได้พราะนั้นเราฟังฟังผู้ที่จะผู้ที่จะความจริงก็มีแค่สีอย่างนะไม่ได้เยอะ แต่ความเท็จที่เราอยู่เนี่ยท้งฉีดมันไม่ได้ตอนเรามาฟังดูความจริงสักเรื่องสองเรื่องบางที้ก็บอกเ ว, าวลามีน้อยมันจะมาพูดอยู่เสมอว่าโยมเข้ามาวัดเนี่ยคือเอาธรรมะมาให้อาตมาเดี๋ยวมานั่งฟังนั่งจองนั่งมองคือมาเทศให้อาตมา ไม่ใช่มาอยู่มาฟังเถ็ดป่า ก, ฟก็ฟังเถ็ดเหมือนกันฟังเถ็ดอยู่เมื่อกี้คำหนึ่งเขาบอเวลามีน้อยจริงไหมเวลามีน้อยจริงเวลาไม่มีมากไม่มีน้อยมีเท่าเดิมเทียบว่าเราความต้องการา ม, มันอยู่ที่ความต้องการ ไม้คือหนึ่งอกหนึ่งวาหนึ่งสมมติไม้หนึ่งเมตรถ้าเราอยากได้ไม้สองเมตรไม้นั้นจะสันไม้หนึ่งเมตรมเดียวกันแต่จะได้สักพุดหนึ่งไม้นั้นก็กลายเป็นของอยาวโทษไปไหมโทษความต้องการ ความต้องการของคนนอนะมันอยู่ที่ความต้องการไปโทษไม้ไม่ได้ไม้เท่าเดิมอหนึ่งเมตรไม้มันทํางเมตไม่สั้นไม่ยาวเท่าเดิมอยู่ไมแต่ถ้าเราอยากได้ยาวกว่า น, นั้นมันก็ไม้แต่กลายเป็นไม้สั้นเลยแต่ไมความอยากความต้องการของมึงแต่ถ้าอยากมันแค่สั้นได้สักพักหนึ่งไม้หนึ่งเมตรกลายเป็นไม้ยาวไปประตูดเดียวกันเรื่องเดียวกัน แต่ความต้องการเข้ามาแทรกมันหรือกลายเปลี่ยนเหตุการณ์มันกลายเป็นเปลี่ยนใจทุกคนเหมือนกันมันอยู่ที่ความต้องการมันไม่มีมากไม่มีน้อยชีวิตคนเราเหมือนกันหมดชีวิตเราเมไม่มีใครได้มากได้น้อยเหมือนกันมารดดกที่มีอยู่เท่ากันหมด โอ้ขาตาจมกูกเลี้ยงตายใจมัไม่เนียเยมือนกันเลยมันไม่มีสีแขนสีขาหกจมกูกหกปากหกปากเท่ากันหมดแต่เวลาพอต้องการแล้วความอยากแล้วพวกยังไงความอยากเข้ามาเพิ่มเลยลืมสิ่งหล่นนี้นหมด ล, ลืมความจริงตามความจริงเพราะฉะนั้นเราะที่เข้ามาวัดก็เพื่อ อันนี้แหละหนึ่อปฏิญาณตนขอถึงพระรลตัสใจถึงผู้ธีเจ้านะผู้เจ้าเป็นใครไป็ไงกันดูศักไดว่าสัญญาคือว่าไประจามความจำแล้วว่าก็จดชินแล้วพุททางธรรมังาตังกัางตะนางกระชามจริ ง, ร ง, รงๆคืออะไรเข้าไม่ถึงเหมือนเข้าวัดมาเนี่ยเข้ามากี่ปีกี่ชาติเข้าวัดเข้ายังไง เข้าทางประตูออกทางประตูแล้วก็กลับถึงเวลาก็ออเยียบเหยียดินไรายมาเยอะดินมาถวายทวัดก็เป็นผุสโลบายเขาวัดือวัดอะไรเขาวัดแล้ววัดอะไรได้บ้างแล้วว mm ัน hmm. นั้นบางสำนักบางแห่งกันบอกว่าลองเป็ดปากดูลองให้พูดสองสามชั่วงหรือสักเจ็ดวันหนึ่ง เราจะรู้ถาว่าจะรู้ก็จะเกิดสติมีเช่นกินลองกินน้อยดูเป็นยังไงนอนน้อยเป็นยังไงพูดน้อยเป็นยังไงสติลอกินน้อยอยู่ไม่ได้เวทนาเบทนาปิดเบียนเบทานาควบงบความหิวก็คือเวทนาอย่งางนี้ก็กินน้อย แต่คนกินน้อยตายยากคนกินมากก็ตายเร็วนอนนอนเหมือนกันนอนให้มันพอดีพอดีแต่สมาว่าเราไม่นอนเราจะเริ่มเห็นนะครับครูบาอาจารย์ท่านฝึกมาทุกอย่างที่มาพูดๆๆนี่ก็ฝึกมาแล้วว่ากินน้อยเป็นยังไงนอนน้อยเป็นยังไงไม่นอนเลยเป็นยังไงมันก็จะเห็นก็นแตกต่างการภารมานเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่า มันดีนะกินน้อยมันดีมากกินไม่น้อยเลยมันดีมันไม่ใช่เคยรู้เคยเห็นเอ้ยมีสติพูดน้อยพูดน้อยกินเยะเป็นดีหน่อยคนพูดมากกับผาดมากแต่ก็ประโยชน์ไม่มีประ่ยนมันน้อยคนที่จะพูดถึงความดีกอบกันและกันมันน้นนอยส่วนมากที่พูดกันไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะ พูดกันแต่ละครัง้งแต่ละทีแต่ละหนเรื่องนั้นเรื่องนีน้เหตุการณ์บ้านเมืองคนดีคนชั่วไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรเพรคะนั้นดีคนนั้นแย่คนนั้นชั่วปากกระโปรงไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยพตอะนั้นเราหัดพูดน้อยบ้างเป็นบางเวลาบางสถานที่เหมือนกันเมื่อเราพูดน้อยหรือเราไม่พูดเราก็จะได้ยินเยอะประโยชน์ในตรงคือจะได้ฟังเยอะ ฟังให้มันเยอะน้อยพูดใหมันน้อยนอยและสิ่งที่ฟังมันต้องตัดฟองบังว่าฟังแล้วตอนไหนเป็นประโยชน์ตอนไหนมันเป็นสาระคือแก่นเราเข้าไปถึงแก่นศาสนาก็เหมือนกันเราจะไปคิดว่าเข้าถึงวันมันถึงแก่นมันไม่ถึงเหมือนเหมือนไม้เราก็เห็นแค่เปลือกของมันเห็นต้นไม้จากเห็นเปลือกเห็นที่เห็นสะเก็แเอ็นแก่นข้างมันเรามองไม่ถึง ก็คือเข้าไม่ถึงแต่ประโยชน์จริงๆมันอยู่ได้จรงเพราะเกนนะ็ะต้นไม้มันอยู่ได้เพราะเกลนดศาสนาเราเหมือนกันถ้าเราไม่เข้าถึงแก่นจิตของเราไม่เข้าถึงแกถ้าพูดถึงจิตมันจะเข้าใจยากคนที่บอกเข้าใจใจทุกวันเราไม่เข้าถึงใจก็เห็นเขนเห็นขาตายเจ็บวคือกายคือเหน็นก็เห็นด้วยปัญญา ไม่ได้เห็นด้วยเห็นด้วยสัญญาเช่เประจําอันอนีคือแขนขามีตาคีอจมูกอันนี้คือสัญญาแต่ตัวที่ปัญญาณมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้น ม, มันเาเราแยกไหมออกว่าสัญญาปัญญามต่างกันเราเลยมองไหมสุดท้ายกายมันเดียวกันอันนี้เสียงสะท้อนเมื่อใดก็ตามถ้าจิตหรือว่ใจเราออกจากร่างแล้ว อทีตนั่งนั่งนอนนอนเดินเดินยนืนอยู่กันนี่ประโยชน์อะไรเลยไม่ีส า, าระอะไรเลยผู้เจ้าท่านมองไปไปกับเรามันไม่ใช่มองแค่เกิดแก่เจ็บตายคือท่านูพูดสอนสอนก่อนเกิดท่านก็มองเห็นที่เกิดไปแล้วเกิดอยู่ท่านก็มองเห็นหลังตายไปแล้วท่านก็มองเห็ท่านมาบอกเราสอนเราเพราะทุกคนมีที่มามีที่อยู่มีที่ไป อรค์ยมาวันนี้ะวัดมาทำจันทร์เซนยาวนามีที่มามีที่อยู่แล้วก็มีที่ไปจิตของมันก็เป็นอย่างนี้จิตของเรามีที่มามีที่อยู่ขอกมันเดี๋ยวก็มีที่ไปของมันถามมันมาจากไหนเราก็เข้าไม่ถึงมันอยู่ขณะมันอยู่ได้แท้มาแล้วมาอยู่โดยเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่เสร็จแล้วมันจะไปยังไงนั่คือกระบวนการของมัน ก็อเอาเคมันชีวิตนี้คือปัจจุบันแค่หนึ่งวันเรายังไม่เข้าใจกับแ ล, ออแล้ววัตตาสงสารเราจะเข้าใจได้ไหมหรือทีมันยิ่งใหญ่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นไม่รู้เริ่มต้นยังไงไม่รู้จะบันปลายจบเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเราจัดการเรื่องความคิดวนไม่ได้วัตตาดูวนๆมันก็จะวนอยู่ไม่หละวนมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย กุจะลาตมะกุศลาตมาอยู่ถ้ากูจะลาตมากูลาตม า, า, ม, ามันเป็นกุจลาไม่เป็นอากูจมันอันนี้คือความจริงเพราะนั้นผูจใจสอนความจริงสีข้อสีเรื่องอันรนั่นเองเราทำความเข้าใจสีข้อสีเรื่องอ น, นี้แหละสมบูรณ์สมบูรณ์ ท, ท, ทแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรไม่ต้องไปฟังอะไรใครเราฟังมาเยอแล้วชีวิตได้อะไรจากการฟัง ฟังแล้วไม่ได้อดกั่โปรไม่ได้น้องเข้ามาไม่ได้อะไรหูก็มันเป็นเลยได้รับของรักคือรักขาวรับสารแล้วสื่อสารกันมามันอยากของพวกเราทั้งหลายได้เข้าใจว่าโอชีวิตเราก็เหมือนกับเปลี่ยน ม, มาเมื่จุดที่คนต้องการแต่คนเบื่อชีวิตแล้วไม่อยากอยู่แล้วชีวิตต้องการขอพต้องการสั้น เป็นเท่าเดิมแต่ท่านบอกว่าโอ้อยากฉันอยากอยู่นานๆในชีวิตมันก็เท่าเดิมมันอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การปรุงการแต่งของเราเองถ้าใครไปปรุงเขาเราเนี่ยปรุงให้มันสบายได้ไหมได้เหมือนอาหารถปรุงให้มันเผ็ดได้ไหมได้เราจะเผ็ดก็ปรุงมันเผ็ดปรุงมันเปรี้ยวปรุงมันเค็ม พันธุ์เปรี้ยวหวานมันเค็มมันเกี่ยวกับอาหารมันเกี่ยวกับคนปรุงอย่าไปโทษอาหารว่าอ๋อมันทําไมมันเค็มจังมันเค็มเองไม่ได้นะเราไปทําให้มันเค็มเองเค็มไปกินได้ไหมกินไม่ได้แปดไปกินได้ไม่ได้เราจะโทษใครโทษเราเราปรุงได้ให้มันพอดีก็เมพจอนั่นแหละคือธรรมะ คือธรรมดาความพอดีพอเหมาะพอควรอาชีพมันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็คือเยอะมันพอดีเหมือนเสือ้อเราใส่ถ้ามันใหญ่ไปเป็นงถ้ามันเล็กไปเลยเป็นนี่แหละคือธรรมะคือความพอเหมาะพอดีพอควรสอนทุกวันคือแบบพวกเรามาวันนี้คือสอนพยายามมองดูเวลาผู ด, ดูคือเอาสมาธิมาให้ มามให้พระพระกรับจนเต็มนั้นเขาวัดความทำจํำศีลภาวนาแล้วเราต้องได้จะไปรอตายแล้วเป็นสมบูรณ์ไม่ไม่ได้เป็นอะไรศึกษาว่าธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติไหวพระสวดมนต์มาทานศีลทําที่บ้านได้หมดทุกครั้งทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ได้เป็นว่าวันศีลแล้วเขามาจารบานศีลเข้ามาไหว้พระเราเข้าใจกันอย่างนี้เห็นหน้าพระค่อยขอศีล ไปรับสินมันก็เลยจํามาอย่างคือวันธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีสินแล้วถ้าวันมีสินแล้วอย่างนั้นเลยเจ็ดวันมีสินวันเดียวอย่างเงี้ยและหกวันอ่ะหกวันที่เหลือเราไม่จำมีสินใช่ไหมเราอย่ากได้คนดีอยากได้เป็นคนดีพวันนั้นวันนี้เป็นวันต้นแบบเป็นวันทุกอย่างที่เรามาต้องเป็นนักเก่งผู้มีพระคุณคือปันพบุรุษ เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้นอ้อมนักเก่งบรรพบุตรของพวกเราคือผู้ที่มอบมรดกให้เรามรดกข้างนอกทรัพย์สินแกหวนเงินทองมันเป็นเรื่องทางนอกแต่มรดกที่แท้จริง ท, ที่เราได้รับคือร่างกายทำให้มันเพิ่มขึ้นหรือยังให้มีมูลค่าหรือยังมีราคาหรือยังอย่าทำให้มันไร้ค่า ถ้ามันไร้ค่ามันไม่เคยต้องการทำตัวเองให้มีค่าส่วนใครจะทอบการมานั่กันช่างหัวมันทองคํามันไม่ได้บอกมันมีดอค่าเวลามีคนต้องการ่ะมันจึงมีคุณค่าแต่มันทองมัก็คือทอททำตัวเองให้เป็นทองคำํำทำตัวเองให้เพชรยาไปทําตัวเองให้มหีคนนั้นอยากได้ก็ไม่ต้องถ้าเราดีจริง ถ้าเรามีค่าจริงเขาต้องการจริงอย่าไปด้อยค่าตัวเองทนมีค่ามีราคามีราคาหมดแต่ว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นหรอือลดลงดูที่การกระทำของเราถ้าทำดีมันก็เพิ่มขึ้นถ้าทําไม่ดีมันก็ลดลงค่ามันก็จะลดลงจนไม่มีราคาเมื่อมีราคาก็แป ไม่มีใครอยากพบไม่เครต้องการภาษาค้าขายก็เริไมไม่เครดิตคือไม่ใครเชื่อถืออันนี้คือความสำคัญเพราะนั้นวันนี้เรามานำร่องถึงที่จาละแห่งนี้ก็จะได้ทังบุญบุญที่ทังนแก่บรรพบุรุษถ้าใกรไม่ได้เทียมอะไรมาก็ตั้งใจตรงมือสิบนิ้วนึกถึงบุญคุญของท่าน พ, าพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าไม่มีท่านก็ ม, มีเรา เราเกิดมาก็เพามีท่านนี้เลือดมีเนื้อมีเชื้อมีไข่ของท่านมาขอบคุณชื่อเป็นตัวเป็นตั้งของเรามาได้คือพันพันธุ์หลังจากนั้นแล้วก็จะไปบริพิตรพันรับบูชาพุทธทคุณรำมคุณสากคุณพ่อแม่คุณบาอาจารย์ได้ได้อบรมส อ, อนมาถทำอันนี้พุทธเจ้าท่านมีพระธรรมนมีพระสงฆ์เราคงไม่เป็นพวกเป็นคนอย่างนี้ผมไม่คิดได้กบแต่ผลยังไงก็คือไม่ต่างอะไรกับวัวควาย อันนี้อะไรเกิขึ้นไม่อะไรดีขึ้นรักที่เดียวอยู่ได้คิดได้เป็นได้นนะครับครูบาอาจารย์คุณครของครูบาอาจารย์ในการนอกนอนนอนลึกนึกถึงเป็นความกตัญญูกระต่ายเวที่เป็นไตรลักษ์เป็นเครื่องหมายควาดีหลังจากนั้นกระส่งน้ํำดังหัวเอากระชูลงมาส่วนใครที่มีธุระป่าปังรีบเร่งหรือว่าตังขาดไม่ให้ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีดีทุกที่เลยแทกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอยู่วัดรหมือนเดิมไม่ต่างกัน้ก็ให้พวกเราต้องลายได้เข้าใจเหตุผลความจริงอันนี้ขึ้นสิ่งที่พุทธเจ้าเพียงบอกเราขานต่อๆกันมาแต่ถพวกเราที่เรียกว่าประเทมีคือการปฏิบัตสบิสืบๆต่อๆกันมา แต่ว่าประเพณีนี่มันเป็นเรื่องที่ดีคือทาแล้วมันมันดีคือมันพัฒนาคือ เ, เจริญส่วนประเวณีคำเดียวกันความหมายคนละเรื่องหลักศับเดียวกันที่มาอันเดียวกันแต่ความหมายคนละเรื่องน่าแค่สืบทอดท่าเสกกันฮะวุ่นไงก็เกิดอาศัยเกิดเป็นคนละนะ แค่เกิดมาเป็นคนประเวณีนะแค่สืบมาเพื่อเกิดมาเป็นคนรังเกียจต่อไม่ได้แต่ถ้าแบบประเพณีนี่ปฏิบัติเติมต่อกันมาแล้วก็มีการพัฒนาคือดีขึ้นเรจึงเรียกว่าประเพณีอันที่เราทำํำก็คือรักษาประเพณีอันจะนี้ไปก็ได้ทําตามธรรมเนียมประเพณีตามขั้นตอนที่เราเอาไว้